เมื่อวานทราบว่าคือหมูป่าตัวหนึ่งไปกินข้าวอาหารเศษกับพวกช่างมาทำงานที่อาคารสถานีวิทยุทางหลังวัดช่างทั้งหลายก็คงอยากแบบในครัวนั่นน่ะมีเมตตาหรือจะไม่มีเมตตาก็ให้อาหารสัตว์ระไาเนั้นให้อาหารหมูมาแล้วก็โยนให้มันกินเห็นว่ามันคุ้นเชื่อง พอต่อมาทีานี้หมูป่าเนี่ยมันไม่ใช่หมูเลี้ยงเลยมันมีเขี่ยวอีกต่างหากทีนี้ก็พอโยนอาหารให้กินต่อมามันไม่มีอาหารกินทีนี้มันก็มายืนเฝ้าพอยืนเฝ้าเหตุพระไป ก, กระโดดใส่พระแล้วบัดนี่ยพระแตกกระจุกระจายเมื่อวานนี่กับพวกช่างทางหลายแหลก็ไป กำลังจะอย่างเขาเอือนบ้านเท่าเอิอนช่วยเข่าบอกหนึ่งเขาเมื่อไรช่วยเขาบอกหมูถูกกินมั่กับกระโดดพมามันจะไม่หยา ก, กินเขาน้ำร้างสร้างกับกระโดดหนีไปคนละทั่งนี่แหละก็สรุปแล้วก็คือเป็นมิตรกับสัตว์ป่าให้ระมัดระวังนะใครนะอย่าไปใกล้นะพวกพระใหม่เห็นหมูป่าอย่าไปใกล้ ไม่ใช่หมูเลี้ยงนะอย่าไปยืนอยู่ใกล้พยายามดูให้ห่างมีในวัดของเราก็มีชนีเคยพูดหลายรุ่นหลายครั้งถ้าเห็นชนีอย่าไปวิสาสะให้ระวังแล้วก็หมูป่าอย่างที่ว่านันนะ่ะอย่าไปให้อาหารระวังเรื่องหมูป่าอันตรายหลวงพ่อไม่ให้เป็นไม่ไม่ให้วิสาสะด้วยอย่างเลงก็เหมือนกัน ถ้าเราจะให้อาหารให้เป็นที่นู่นที่ให้อาหารมันมีอย่าไปให้กับมือถ้าให้กับมือมันเคยคุ้นเคยกับพระถ้าหาว่ามันไม่มีอาหารกินมันจะกัดนะมันเป็นสัตว์ป่าเราจะไปทำยังไงมันได้พอมันกัดแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายกันไปหมดทั้งวัดเลยทีนี้เพราะเห็นพระหรือว่าคนโง่ๆเพียงไม่กี่คนเมตตาแบบโง่ๆไม่กี่คนก็เดือดร้อนกันทั้งวัด ก็เพราะเหตุใดเพราะมันโง่บอกแล้วไม่ฟังนะฟังก็นัดทีนะหรือว่าจะโง่ทั้งวัดอีกหรือจะให้โง่ทั้งวัดอีกมันจะเดือดร้อนกระทางหลวงพ่ออีกเลยไงเอาอยัางไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วหลวงพ่อก็ต้องเป็นหัวหน้าวัดก็ต้องคิดหาอุบายเลยจะเอาอย่างไงจะจับออกอย่างไงจะทำอย่างไงก็เพราะโง่พาโง่ทุกคนโง่ไม่กี่คนเองในวัดก็ทําให้เดือดร้อนทั้งวัด ถ้าว่าต่างคนต่างอยู่อาหารก็ไปไว้ที่มันเคยกินนั้นก็จบอันนี้อยากจะมีเมตตาอยากจะให้อาหารกับมือมันอพวกเสอเสทั้งหลายแหละให้หมูปา ก, กัดทมจบจบไปพวกนี้ถ้าอยู่พูดหลวงพ่อพูดอย่างนี้นเดี๋ยวจะขาดเมตตาไปอีกเหมือนกันเถอะเหล่าหลวงพ่อจะโง่ไปอีกเนี่ยพูดทั้งนี้ทั้งนั้นในระวังนะอย่างที่หลวงพ่อพูด ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะงั้นตลวงพ่อพิจารณาดูแล้วไม่เป็นอย่างอื่นถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทําคุ้นเชื่องอย่างจัดกับจัดป่าอย่างนั้นแล้วต่อไปจะเป็นพิษภัยสรุปแล้วเมื่อวานมีพระมาจากวัดโพธิสมพรพระบวทใหม่เป็นพระที่ท่านพิภาคษาวนาสารพิภาคษาอุรรของเราเนี่ยนะกลุ่ม ท่านพิพากษากับกลุ่มคณะของท่านได้จัดการอุปสมบทขึ้นมาแล้วก็บวชเมื่อวานในทั้งหมด23องค์มั้งที่บวชที่วัดโพจากนั้นก็กระจายไปตามวัดต่างๆแล้วก็ส่งมาที่วัดป่านาคำน้อยของเราในห้ารูปเมื่อวานนีแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ วิชาอาชีพที่บวชมาเนี่ยแต่ยังไม่ได้ถามถ่ายกันพอมาถึงกลางคืนพอบวชค่าเมื่อวานพอบวชเสร็จแล้วก็มาเลยมาถึงที่นี่ก็สองทุ่มกว่ามั้งแล้วกับการบวชในครั้งนี้มีความหมายสําหรับพระนวกกะที่บวชคือบวชเพื่อถวายกุศลในหลวงถวาย พระราชกุศลในหลวงในหลวงครองราชแปดสิบพรรษาและก็พร้อมกันพระองค์ท่านก็ประสวนเมื่อกี้เนี่ยเด๋ยนนี้ก็คงหายก็คงก็ดีขึ้นแต่พี่นางเธอเด๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลทราบข่าวอย่างนั้นเพราะว่าเราอยู่ในป่าก็ไม่ได้ติดตามสื่อต่างๆเท่าที่เออ บางทีทางโลกเขาว่างั้นะเราก็อยู่แบบอยู่ป่าติดตามทางโลกเราก็เป็นโลกเหมือนกันพระโลกเหมือนกันอันนี้เราเป็นพระธรรมนะศึกษาอยู่ในป่าอยู่ในธรรมเราก็ไม่อยากจะให้ติดตามอะไรโลกมากจนเกินไปเพราะนั้นเราก็ทาบ ป, ป่างไม่ทราบบังนะแต่ก็ทราบเป็นส่วนมากจากพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องเพราะนั้นในการบวชในครั้งนี้มีความหมายสาหรับพระ ห้ารูปที่มาอยู่วัดหลวงพ่อก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจทำตนให้เป็นพระที่ดีให้เป็นพระที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเราบวชครั้งนี้มีความหมายเพื่อถวายพระจุกุศลถวายในหลวงแต่ถ้าว่าตัวเองก็ทำนะทำตัวไม่ดีนะทำตัวไม่ดีเหมือนกับเราไปทำมาค้าขายนะเราจะได้เงินมาแบ่งพ่อแม่ได้ยังไง แต่ถ้าว่าตัวเองทำดีประพฤติดีทำมาค้าขายดีขยันหมั่นเพียรอดทนมีศรัทธาคติวิริยะปัญญาเมื่อเราทำอย่างนั้นได้นั่นแหละบุญกุศลที่เกิดจากการทำคุณงามความดีอย่างเต็มที่นะเหมือนกับเราไปทำมาค้าขายได้เงินเงินทุนทะครับเพราะคนขยันก็ต้องหาทรัพย์ได้อันนี้คนขยันหมั่นขยันอดทน เป็นผู้มีความเพียรก็ต้องได้บุญเหมือนกันเรามาครั้งนี้มาเรามาสแสวงบุญบวชเข้ามาเพื่อสแสวงบุญมาเพื่อทําความภาคเพียร เ, เมื่อได้บุญแล้วก็ถวายเป็นพระอรชกุศลในหลวงส่วนหนึ่งส่วนตัวส่วนหนึ่งพ่อแม่ปู่ยา่าตาย า, ายบงศาคนาญาติญาติมิตรสหายอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นแบ่งเป็นส่วนๆที่เรา ได้มาประกอบคุณงามความดีในครั้งนี้เพราะนัให้พวกเราให้มีความหมั่นขยันอดทนแต่ตามไม่จริงการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหรือมาอยู่ป่าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นพิษภัยของป่าก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ถึงยังไงพระในวัดของเราไม่เคยมีอยู่มากี่รุ่นกี่รุ่นแล้วสร้างวัดมายี่สกว่าปีก็ยังไม่เคยมีอะไรแต่ถึงยังไงเราจะให้เป็นคนที่หนึ่ง อสําหรับไปยุ่งเหยิงกับพวกสัตว์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นนะอขอให้พวกเราสํารวมระวังพิษภัยเหล่านั้นบ้างก็ไม่ถึงให้หนักใจไม่ถึงให้ทุกใจนะอแต่แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะมันไม่เคยมีแต่ก็อยาให้มันมีนะแล้วก็พร้อมการก็การบวชเป็นนักพจนักบวชมันต้องอดทนอดทนอย่างมาก คือเรามาอยู่เป็นชีวิตหนึ่งเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยคือชีวิตหนึ่งที่แตกแต่ต่างจากครวาตท่าครวาตแต่ละแผนกถึงอย่างไงอย่างไงการเป็นอยู่ของเขาก็อีกใกล้ใกล้เคียงกันแต่การเป็นพระเนี่ยชั้นมือเดียวอยู่องค์เดียวไม่ให้พูดมากไม่ให้คุยไม่ให้มั่วสุมอยากกินไม่กิน จะไปกินได้ยังไงเพราะเราให้ฉันมือเดียวใช่ไหมอยากนอนไม่นอนอยากพูดอยากคุยไม่พูดไม่คุยอันนี้ก็คือเป็นการห้ามตัวเองแล้วท่านี้ก็ปฏิบัติพยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาดูใจของตนเองความนึกคิดของตนเองแต่ละวันเรานึกคิดเรื่องอะไรนี่แหละเรื่องของพระป่าให้มาดูความนึกคิดให้มันดูใจ ไม่ใชใ่ดูที่อื่นให้ดูใจนะใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรเพราะนั้นสมัยเมื่อเราเป็นครวญเราเห็นพระเราก็จะตูถูกพระเอ๊ะพระทําไมเป็นอย่างนู้นพระทําไมเป็นอย่างนี้พอตัวเองมาเป็นพระแล้วเป็นยังไงจะได้รู้ว่าเออพระที่ท่านอยู่อย่างนั้นแปบลบว่าท่านปล่อยปละละเลยเกินไปท่านไม่เข้มงวดกวดขันกับตนเอง แต่พอเป็นพระเนี่ต้องปฏิบัติตนอย่างนี้ทำตนอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้จึงเป็นพระที่แท้จริงเราก็จะรู้ได้โดยตนเองเพราะนั้นการมาคราวนี้ถึงจะมีเวลาน้อยก็ให้มาศึกษามาศึกษาในพระเรื่องของพระเพราะว่าพระมีหลายมีหลายอย่างอย่างพระเห็นไหม อพระอีกพระหินพระปูนพระทองเหลืองพระเออะไรมีหลายอย่างพระเงินพระทองก็มีอันนี้ก็เหมือนกันพระเราก็ต้องมีการเลือกเหมือนกันเราจะทําตนให้เป็นพระประเภทไหนอันนี้ก็อยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันจะเป็นพระที่ดีหรือเป็นพระที่เลวอแต่พระมีแต่กินแล้ะนอนขี้เกียจเตือนอย่างกรมนั่นน่ะเป็นพระเลวละท่านนี่ไม่ต้องถามใครแล้วงั้นเ่อะอืม แต่ถ้าว่าพระตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นพระที่ดีเหมือนกเราไปส่แสวงหาทรัพย์ในเมื่อเรามีทรัพย์แล้วเราก็จะได้แบ่งปันให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่วงสาคนาญาติแต่ถ้าว่าเราขี้เกียจขี้ค้านแล้วเราจะได้สมบัติแบ่งให้แก่ใครมันแบ่งไม่ได้เพราะตัวเองก็ยังเอาตัวตัวเองไม่รอดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะเขามาบวชในพุทธศาสนาบวชกับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ไหนก็ตามท่านก็มีแต่แนะนําสั่งสอนเท่านั้นน่จะเดีจะให้ท่านจับมือจับไม้จับขาเดินยงกลมท่านคงทําไม่ได้แต่ถ้าว่าดูแล้วอบอกแล้วอก็ยังไม่ทําตามแล้วจะทํำยังไงเอถ้าอยู่กับวัดกันนักวัดเทนี่ยมีแต่ไร่นี้ออกจากวัดเท่านั้นอะ่ะที่ท่านทําที่องค์หลวงตาท่านทํามาอย่างนั้นอะ่ะเ mm hmm. พราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย เขามาบวชในพุทธศาสนาก็ให้ตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีพระดีนะแอบสั่งสมคุณงามคนดีเข้าสู่จิตใจทางว่าพวกเราทําดีแล้วน่ะอืไปอยู่ในสถานที่ใดเป็นพระที่น่ากราบไหว้น่ากรพนับถือทั้งนั้นถ้าว่าเราทําตัวไม่ดีเอบก็อย่างว่าน่ะเป็นที่ตำหนิของคนทั้งหลายเพราะนั้นการเป็นนักพรตนักบวชไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ พรเราเป็นเป็นคนเหมือนกันเอแต่ว่าให้เขาเคารพนับถือกราบไหว้เพราะเหตุไรเขากล่าบไหว้เราเพราะอะไรเพราะคุณงามความดีของเราไม่ใช่การไหว้เพื่ออย่างอื่นแต่ถ้าว่าเราทําตัวไม่ดีแล้วนั่นแหละเราจะเป็นยังไงเราจรินดีให้เขากล่าบไหว้เราเหรอเพราะเราทําตัวไม่ดีเหมือนกับเขาเขากับเรามันเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าเขาอีกเออา นวันนี้เป็นวันพระนะขึ้นแปดค่ำเดือนส2บสองวันพระหน้านี่าหมดเขตกระทินละเดือนสิบสองเป็นปี2อน้าห้าสิบวันนี้เป็นวันแปดค่ำขึ้นแปดค่ำเดือนสิบสองตอนนี้ไปรับพรอนุมโมท น, นาให้พร